ที่นี่ก็ฝนตกหนักมากนะแต่ฝนนี้ไม่ว่าจะตกหนักแค่ไหนนะเราทุกคนในที่นี้ก็ไม่มีใครที่เปียกปอนนะเพราะอะไรนะก็เพราะว่ามีหลังคาคอยป้องกันฝนตกหนักแค่ไหนจะกระทบหลังคาดังเพียงใดนะ แต่ว่าเราไม่เปรียบเราห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้นะเหตุปัจจัยพร้อมนะฝนก็ตกเราห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราทาได้คือว่าตกแล้วเนี่ยตัวเราไม่เปียบ ก, ก็เหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยจะห้ามไม่ให้มี เหตุร้ายจะห้ามไม่ให้มีอะไรมากระทบกับชีวิตของเราเนี่ยมันทำไม่ได้นะอาจจะทำได้เพียงแค่ช่วยบรรเทาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงแต่ว่า ในส่นก็เกิดขึ้นกันได้มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเรากับบ้านของเรากับรถยนต์ของเราข้าของเครื่องใช้ของเราแมกระทั่งกับร่างกายของเราตลอดจนคนที่เรารักเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่ห้ามได้ยากไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ให้มันกระเทือนไปถึงใจเนี่ยมันทำได้นะพูดง่ายคือว่าแม้จะเสียทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียแม้ว่าจะป่วยกายนะแต่ว่าใจไม่ป่วย อันนี้ทําได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทําด้วยตอนนองเดียวกันในเวลามีอะไรมากระทบกับตาของเราเช่นรูป ก, กระทบตาเสียงกระทบหูหรือว่ากลิ่นกระทบจมูกผลถับพบเนี่ยกระทบกาย แต่ว่าไม่ให้กระทือนไปถึงใจเนี่ยมันทำได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอมีอะไรกระทบตามีเสียงกระทบหูนี่ใจมันกระเทือนเลยเพราะอะไรนะถ้าจะเรียกว่าเป็นเพราะขาดสติก็ได้มันก็เลยเกิดการปรุงแต่งเกิดการปรุงแต่ง เกิดปฏิกิริยาในทางลบนะเช่นไม่ชอบอยากผักใสหรือมีความรู้สึกลบกับมันผู้นานคือว า, วางใจไม่ถูกอย่างที่เคยยกตัวอย่างคนซึ่งเป็นบุรุษไฟชนีนะทั้งๆ ท, ที่อากาศร้อนแดดก็แรงเหงื่อนี่ก็ออกไนะหลเต็มตัวเลย แต่ว่าใจเขาก็ไม่ได้ทุกไม่ได้หงุดหงิดตรงข้ามกับคนที่อยู่ในบ้านเปิดแอร์เต็มที่แต่ก็ยังรู้สึกหงุดหงิดเพราะว่ามันยังเย็นไม่พอคนนึงอยู่ในห้องแอร์หงุดหงิดแต่คนนึ่งตากแดดแต่ว่าเขาไม่หงุดหงิดนะเพราอะาไรเคราะก็รู้วิธีทำใจให้เย็น วิธีการเขาก็ง่ายๆนะคือเขาร้องเพลงร้องเพลงลูกทุ่งขณะที่รอเจ้าของบ้านมารับไปรสัีมารับพัสดุเจ้าของบ้านออกจากห้องที่ติดแอช์ฉ่มารับเอกสารด้วยหน้าตาที่หงุดงิดแต่ว่าบุรุษไปรณันีนี้ยิ้มแย้ม ทนานที่เจออากาศร้อนเหงื่อเต็มหลังเลยนี่เขาลู้สักรักษาใจนะอย่างที่เขาบอกกับเจ้าของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านถามว่าเนี่ยแดดร้อนอย่างเงี้ยยังมามีอารมณ์ร้องเพลงอีก่หรือเนี่ยเขาก็บอกว่าโลกร้อนแต่ถ้าใจมันเย็นมันก็เย็นครับผมร้องเพลงแล้วมันใจเย็นครับ อันนี้ก็เป็นวิธีรักษาใจนะไม่ให้ทุกข์แม้ว่าแดดแรงๆนี่มาจะมากระทบกายมาเผากายแต่ว่าความร้อนของกายความแรงของแดดนี่ก็ไม่สามารถจะทำให้ใจเขาร้อนรุ่มได้พอเขารู้วิธีง่ายๆก็คือการเติมความรู้สึกดีๆให้กับจิตใจ ด้วยการร้องเพลงแต่เราก็ไม่เป็นต้องร้องเพลงก็ได้หรือบางคนร้องไม่เป็นเนี่ยแม้ว่ากายจะร้อนแต่ใจเย็นก็ได้นะอย่างคนที่เดินธรรมยาตราเนี่ยซึ่งก็จัดมา20ครั้งแล้วหลายคนนะก็เดินกลางแดดแดดมนก็ร้อนเปรี่ยง แต่ว่าใจเขาก็ไม่ได้ร้อนด้วยทั้งที่ไม่มีล่มกลางไม่มีหมวกใส่กายนี่รับดาษเต็มเมแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะเพราะอะไรนะเพราะว่ามีสติรักษาใจนะกายร้อนนะแต่ว่าใจ ไม่ร้อนด้วยเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายก็มีสตินะไม่ไปยึดเอาความร้อนของกายมาเป็นความร้อนของกูกายร้อนแต่มันไม่มีกูร้อนกายร้อนเมื่อไหร่กายร้อนนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่พอมีความสุขกูร้อนนี่ โอมันทุกข์ที่ใจเลยนะแต่ถ้าเรามีสตินะออกายร้อนก็เห็นความร้อนที่กายแต่ว่าไม่ไปเอาใจไปติดจอ่อไม่ไปเกิดความยึดติดถือมั่นว่ากูร้อนกูร้อนหรือความร้อนเป็นของกูนี่อันนี้คือว่าเห็นไม่เข้าไปเป็น คนเราเนี่ยแม้ว่าจะไม่ชอบความร้อนนะแต่ว่าพอมันร้อนทีไรใจก็เข้าไปยึดทันทีเลยยึดเนี่ยไปก็คือไปจดจอ่อไม่ได้ไปตดจ่อตรงบริเวณที่ร้อนอย่างเดียวนะแต่ว่าไปยึดเอาเวทนาหรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่ะเป็นกูเป็นของกูไป แต่ถ้ามีสติน ะ, ะมันเห็นมันเห็นเวทนามันไม่ค่อยเป็นๆกายก็ร้อนไปแต่ว่าใจไม่ร้อนด้วยหรือใจไม่ทุกข์ด้วยอันนี้ทำได้นะถาาว่าเรามีสติสตินี่มันเป็นเครื่องช่วยให้เกิดการปล่อยการวาง ในเมื่อเราไม่ชอบความร้อนและไม่ชอบทุกเวทนาเราไปยึดมันทําไมแต่ที่เรายึดเพราะเราไม่รู้ตัวเราหลงพอหลงก็ไปยึดมันเลยยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะนั้นกายก็เลยไม่ได้แค่ร้อนอย่างเดียวนะใจก็ร้อนด้วยเพราะมันมีกูร้อนเกิดขึ้นกูร้อนกูร้อนกูร้อนตัวกูมันเกิดขึ้นได้เพราะมันเกิดการปรุงแต่งและที่มันปรุงแต่งแต่งได้เพราะความหลง แล้วเราก็มักจะโทษว่าเนี่ยที่เราทุกข์เพราะแดดร้อนที่จิงไม่ใช่หรอกนะทุกข์ผลเพราะว่าเราใจของเราเนี่ยไปยึดเอาความร้อนที่กายหรือไปยึดเอาเวทนามาเป็นเราเป็นของเราไปพอเราเนี่ยถ้าว่าเราไม่ดูใจให้ใหใหดีนะเราจะโทษว่าสิ่งภายนอกเนี่ยไปแสดงความทุกข์ เคยพาคนเดินจงกรมนะแล้วก็บนเส้นทางจงกรมเนี่ยบางทีมันก็มีมดเนี่ยอยู่ตามทางมัง่งแถวสนามหญ้ามัง่งเราก็บอกให้คนเดินจงกรมด้วยอาการสงบแต่ปรกฏว่าระหว่างที่เดินนี่ก็มันก็มีเสียงนะเสียงคนเนี่ยนะ ปัดปัดขากางเกงเพราะอะไรพ่อมดเนี่ยมันไต่ไปตามขาใต่เข้าไปข้างในก็มีเสียงปัดปัดกางเกงปัดผ้าถุงอาการที่เคยเดินสำรวมเนี่ยก็กลายเป็นไม่สำรวมเลยพอเดินเสร็จก็ก็เลยถาม ม า, มาพูดคืยกับเลิศถามว่าเนี่ยอที่ปัดขากางเกงเพราะอะไรทานทุกคนบอกเลยเพราะมดมันไต่ตามตัวครับหรือไต่ตามขาค่ะมัน ต, ตระบอกว่ามันไม่ใช่นะที่เราปัดไม่ใช่เพราะมดเนี่ยมันไต่ตามตัวตามขานะ ให้ดูดีๆนะที่เราปัดเพราะอะไรเพราะมันอยากปัดมันมีความอยากเกิดขึ้นก่อนมันมีความอยากอยากจะปัดแล้วก็เลยลงมือปัดถามว่าทําไมถึงอยากปัดหลายคนตอบว่าเพราะมันเจ็บมดมันกัดเจ็บ มดกัดเจ็บนี่มันไม่ได้ทำให้เกิดความอยากปัดมดหรือปัดขาังเจงนะมันต้องมีความรู้สึกไม่ชอบความเจ็บที่เกิดขึ้นจากมดกัดมันต้องมีความไม่ชอบก่อนมีความรู้สึกลบต่อความปวดที่เกิดขึ้นความเจ็บที่เกิดขึ้นเพราะมดกัด แลวพอมันมีความสื่อไม่ชอบเนี่ยมันก็เลยอยากจะบรรเทาความปวดบรรเทาความเจ็บและความอยากบรรเทาความเจ็บมันก็เลยเป็นเหตุให้อยากปัดแล้วความมีความอยากปัดมันก็เลยลงมือปัดแต่ที่จริงถ้าดูละเอียดนะ มันมีอะไรมากกว่า น, นั้นนะไอตอนที่เจ็บเนี่ยก่อนที่จะรู้สึกไม่ชอบความเจ็บอยากจะบรรเทาความเจ็บออกไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ากูเจ็บมันไม่ใช่แค่เจ็บขาเเดีย น, นะแต่มันรู้สึกว่ากูเจ็บด้วยคือเป็นความทุกข์ที่ใจ ก็เลยเกิดความไม่ชอบความเจ็บเกิความรู้สึกเป็นลบรู้สึกลบกับความเจ็บแล้วทำให้อยากจะบรรบรรเทาวความเจ็บลง <Okay. S 2> ก็เลยเกิดความอยากปัดแล้วก็ลงมือปัดแต่อยากปัดเนี่ยมันไม่ทำให้ลงมือปัดทีเดียวนะมันไม่ใช่เป็นอ Auto ัตโนมัติอย่างนั้นมันต้องลืมตัวด้วย ตอนที่อยากปัดเนี่ยทำไมบางคนเนี่ยเขาอยากปัดแต่เขาไม่ปัดนะเพราะเขาตั้งสติได้เพราะเขารู้ว่านี่กําลังเดินจงกลมอยู่ต้องสํารวมเขาก็หักห้ามใจไว้แต่บางคนเนี่ยพออยากปัดแล้วเนี่ยมันมันลืมตัวเนี่ยลืมตัวขาดสติก็เลยเผลอปัดนั้นถ้าเราดูนะ่าจะเห็นได้ว่าตอนที่มดตอนเมื่อมดเมื่อมดมันไต่าตามขาเนี่ย อันนั้นไม่ใช่เป็นสาเหตุให้คนให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยปัดนะเรามักจะพูดว่าเนี่ยที่ปัดขาปัดมดเนี่ยเพราะมดกัดไม่ใช่อย่าไปโทษมดนะแต่แต่ต้องพิจารณาว่ามันเกิดจากอาการทางจิตหลายขั้นตอนทีเดียวนะตั้งแต่ว่ามีความเจ็บมีความปวดแล้ว เกิดกูผู้ปวดขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกลบเกิดความยินร้ายกับความเจ็บแล้วก็เลยอยากจะบรรเทาความเจ็บในความอยากบรรเทาความเจ็บก็เลยทําให่อยากจะปัดอยากจะปัดแล้วไม่พอนะมันต้องลืมตัวด้วยขาดสติมันก็เลยลงมือปัดนั่นเจนได้ว่ามันมี อะไรต่ออะไรเกิดขึ้นมากมายนะในใจของเราเนี่ยระหว่างการถูกมดกัดกับการลงมือปัด น, นั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้เราปัดนะมดหรือว่าปัดขากางเกง น, นั่นแหละคือสมุทไทยนะนี่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันไม่ใช่มดกัดแต่ว่าเป็นเพราะอาการทางใจ ที่ทำให้เราลงมือปักถ้าดูอย่างนี้เนี่ยนะเราจะเห็นเลยนะว่าสิที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยคือตัวการสำคัญนะที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่เพราะเราดูไม่ละเอียดนะเราดูหยาบๆ ย, บยบเราก็เลยไปโทษมดนะวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะ อันนี้เขาแสดงว่าอย่างดีเลยนะว่าเมื่อเกิดผัสสะเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดทุกทันทีนะไม่ใช่เกิดผัสสะปุ๊บเนี่ยเกิดทุกปั๊บเนี่ยไม่ใช่มันยังมีเวทนาตันหาอุปาทานภพชาติชรามรณะโสกะ ป, ปริเทวะนี่คือทุกเนี่ยคือก่อนที่จะเกิดทุกมาไม่ใช่เป็นเพราะ มีผัสสะเกิดขึ้นนันทีแล้วทุกข์นะแต่มันมีกระบวนการต่างๆในใจซึ่งล้วนแต่เกิดจากการตัวแต่เป็นการปรุงแต่งในใจนั้นถ้าเราพิจารณาดูให้ละเอียดเนี่ยนะในความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบนะไม่ว่ากระทบทางตาทางหูแต่มันเกิดการปรุงแต่งต่างๆในใจ ตรงนี้แหละนะั่คือเหตุแห่งทุกข์ซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะไปแก้ทุกข์แบบผิดฝาผิดตัวหรืออย่างน้อยก็ไปโทษว่าตัวการแห่งทุกข์เนี่ยอยู่ที่ข้างนอกคนเขาจะด่าว่าเราอย่างไรเนี่ยมันไม่ทําให้เราทุกข์หรอกจนกว่าเราจะ ถือสาคําพูดเหล่านั้นนะหรือไม่ก็เอาตัวตนเขาไปรับคําด่าว่าเวลาคนเวลาคนบ้าคนเมาด่าว่าเราเนี่ยเราไม่รู้สึกเจ็บแสบอะไรเลยหรือโกรธแค้นอะไรเลยเพรา ะ, ะรเพราเราไม่ถือแต่ที่เราเป็นทุกข์เราร้อนเพราะเราถือกับคําพูดของเขา แถมเอาตัวตนเข้าไปรับด้วยบางทีเหมือนเหมือนกับคนที่คนที่ด่าเราบางทีมันก็นเหมือนคนที่พ้นตะปูใส่เราเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวไปรับ ก, ก็ก็เลยเจ็บแต่ที่จริงเราทํามากกว่า น, นั้นนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตะปูเนี่ยมันตกหล่นอยู่บนพื้น แต่เราก็กลับควา้าเอาตะปูนั้นเนี่ยมาทิมตัวเราทิมตัวเราตอนที่เราถูกเขาด่าว่าแล้วเราเจ็บเราปวดเนี่ยนะมมในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลเนะีเหมือนกับว่าเขาพ่นตะปูใส่เราแ ล, แล้วเราก็เอาตัวไปรับก็เลยเจ็บแต่หลังจากที่เขาด่าว่าไปแล้วคําต่อว่าเป็นอดีตไปแล้วแต่ทาไมาเรายังเจ็บอยู่ ม้าเรายังปวดอยู่ก็เพราะว่าเราเอาคำต่อว่าขเขาซึ่งเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยมาทิมแทงใจของเราเหมือนกับว่าตะปูเนี่ยมันตกลดอยู่บนถนนแล้วเราก็ไปหยิบมาทิมเราตอนที่เราทุกข์หรือปวดครั้งแรกเนี่ยเมื่อถูกด่าเนี่ยอันนี้ก็อาจจะสมเหตุสมผลนะแต่ว่าทุกข์ครั้งที่สองปวดครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ย หลังจากที่เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเป็นเป็นวันหรือเป็นเดือนเนี่ยแต่ที่เรายังเจ็บอยู่เพราะอะไรเพราะเราไปคว้าเอาตะปูที่มันตกอยู่บนถนนเนี่ยอยู่บนพื้นเนี่ยมาทิ่มแทงเราอีกครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แต่แล้วเราก็ไปโทษวันที่เป็นพ่อเขาว่าเราเข้าว่าเร า, า, า, เราแต่เราไม่ได้ดูให้เห็นว่าจริงๆเป็นพ่อใจของเรา ที่เป็นเพรเราไม่ได้สังเกตดูใจของเรานี่ถ้าเราสังเกตดูใจของเราเนี่ ย, ย, ยมันจะเห็นเลยนะว่าเป็นพ่อใจของเราต่างหากเหมือนกับที่ชี้ให้ดูนะว่าเนี่ยไอ้ที่ปัดเนี่ยที่ปัดระหว่างเดินจงกรมปัดมดปัดขางเกงเนี่ยมันไม่ใช่มดมดกัดหรอกแต่มันเพราะความรู้สึกว่ากูเจ็บความรู้สึกลบ ยินล้กับความเจ็บรวมทั้งความอยากจะให้ความเจ็บมันบรรเทาความอยากจะให้ความเจ็บมันหายไปรวมทั้งความอยากปัดนรวมทั้งความลุ่มตัวหลงขาดสติทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการทางจิตนะซึ่งเป็นเหตุแห่งการกระทำนั้นถ้าเรามองให้ละเอียดเนี่ยเราจะจะเห็นว่าเหตุสาเหตุอยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่ภายนอก ไม่ใช่ใสายแห่งการที่เราปัดอย่างเดียวสายแห่งความทุกข์ด้วยนะเฉนั้นถ้าเราหมั่นดูใจของเราเนี่ยมันจะเห็นแต่ถ้าเราไม่ไม่สังเกตนะไม่ดูจาจเราเราก็จะโทษภายนอกแล้วเราก็ไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้ยอย่างแท้จริงหรืออย่างถูกต้องเ อ, อย๋ยน้พุทธ น, นีนะ